ก็ร่วมกันได้แต่ถ้าเห็นว่าไม่ ไ, ไม่พร้อมที่จะร่วมทาบุญก็ผ่านไปเราก็จะเข้าสู่การอธิบายธรรมหรือว่าแสดงธรรมในโอกาสส่งท้ายปีเกา่าใช่ไหมส่งท้ายปีเกา่าวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเราพูดกันตาม วาระโอกาสของวันเดือนปีในทางสากลทางโลกหรือทางสมมุติก็ว่าได้เพราะเราต้องมีสมมุติเพื่อกาหนดรู้ในการกระทำร่วมกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปที่เรานับว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่หนึ่งมกราคมเป็นปีใหม่หมายถึงว่า รอบของปีได้มาบรรจบครบปีในวันนี้คือหนึ่งปีเต็มซึ่งมีสิบสองเดือนเนี่ยบรรจบค ร, บ, รบในวันนี้ด้วยความที่ชาวโลกที่ยังยึดถือสมบูติ์ของโลกอยู่ก็กําหนดในวันแห่งการส่งท้ายปีเก่านี้กําหนดเป็นกิจกรรมเพื่อกระทำสิ่งที่ เป็นบุญกุศลหากในด้านอื่นๆคือในด้านของโลกิย์วิสัยเขาก็จะเฉลิมฉลองความสนุกสนานเพลิดเพินอันนี้ก็คือตามภาวะวิสัยของชาวโลกที่เป็นอยู่การเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่เป็นวิสัยของบุรุชนคนทั่วไปที่เข้าใจว่าคือต้องคัาบอกว่าเป็นความเข้าใจของชาวโลกว่า นั่นคือฤดูการแห่งการสังสรรค์ฤดูการของการทําอะไรก็ตามให้มันเป็นความเพลิดเพลินบเทิงใจความสนุกสนานคือทําชีวิตให้มีความสุขนะเราพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่ล่วงไปแล้วของปีที่แล้วก็ให้มันล่วงไปละไปหมดไปดับไปวันนี้ก็เป็นการสมทายซะอะไรก็ตามในการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ปีใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการก้าวผ่านมัน ไปให้หมดความทุกข์ความโศกโรคภัยสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นการก้าวล่วงผ่านไปทําชีวิตตัวเองให้มีความสุขสนุกสนานอย่าไปคิดถึงมันเรื่องปัญหาต่างๆอันนี้ก็เ ป, เป็นเป็นเป็นอุบายวิธีของโลกเพื่อที่จะอยู่กับโลกโดยที่ไม่ต้องมีทุกข์กับมันมากแต่เป็นการเป็นอุบายวิธีเป็นการใช้อุบายที่ที่โลกแบบโลกโลกที่ใช้กันคือใช้แบบโลกโลกอ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะ คือโลกเป็นอย่างนี้ต้องใช้เงินแต่ในทางธรรมคือโลกนี้ยังต้องอาศัยธรรมอยู่นะคือศาสนานั่นแหละไม่ว่าศาสนาธรรมโลกยังต้องอาศัยศาสนาอยู่บุคคลผู้มีจิตอิงอยู่กับศาสนามองเล็งเห็นประโยชน์ในความเปลี่ยนแปลงของวันเดือนปีจึงได้ปารบการทาบุญกุศลที่พวกเราได้มากันในวันนี้นะปรารบการทําบุญโยมบุญมีก็จัดเต็มเลยวันนี้จัดเต็มจริงๆเลยแม ก็อาตมาก็าเต็มเหมือนกันนะเต็มพ้อมแล้วก็มาปาลรบบุญกุศลก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายเรียกว่าทำบุญในรอบปีนี้ปีนี้ให้เป็นปีแห่งบุญกุศลในชีวิตของเราและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยจิตที่เป็นกุศล คือสร้างเหตุแห่งกุศลแล้วนำพาชีวิตเข้าไปสู่วิถีดิทีแห่งวันเวลาที่เป็นบุญกุศลในเบื้องหน้าชีวิตก็เป็นไปประกอบพร้อมกับบุญกุศลคือมนุษย์ที่มีจิตอิงอยู่กับหลักศาสนาะย่อมได้รับประโยชน์อย่างนี้เมื่อบุญกุศล เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการศาสนาก็ได้บอกมูลเหตุแห่งบุญกุศลอันที่มนุษย์กระทำแล้วประกอบเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์ผูก้กระทำลงไปและศาสนาก็ได้เปิดเปิดเส้นทางแห่งการกระทำในหลักของมรรคแบบ บางคนก็มาถือสีสีแปดก็ก็ดีเป็นสิ่งที่ดีมีใครจะมาถือสีดีมีไหมไม่มีเนาะยมน้องไม่มาแล้วปีนี้ปีเก่ามาพร้อมแล้ ว, ลวเหรอามาด้วยกันโอเคดีหรือว่าเป็นการส่งท้ายด้วย สิ่งที่ดีีทนี้เราจะพูดในแง่ของาศาสนธรรมาศาสนธรรมคือหลักธรรมทางาศาสนาเป็นสิ่งที่นำพาจิตใจของบุคคลผู้ยังยิง อ, งอาศัยอยู่กับาศาสนาอยู่ให้มีชีวิตเป็นไปตามคันลองของาศาสนาซึ่งาศาสนาพยายามได้ชี้บอกเหตุผลเรื่องราวการกระทำ กิจที่พึงกระทำกิจที่ไม่พึงกระทำสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรจเจริญขึ้นสิ่งที่ควรเว้นและสิ่งที่ควรกระทำต่างๆนานา ม, มากมายศาสนาพยายามชี้บอกให้เราได้ดำเนินตามหลักการและเส้นทางคือเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกคนเดินตามหลักการทางศาสนาที่ศาสนาได้บอกสอนไว้ศาสนาได้เปิดโอกาส ไว้อยู่ตลอดเวลาแต่ชนทั่วไปทั้งหลายส่วนมากมากักจะไม่ถือโอกาส<ม>เช่นในโอกาสของปีเก่าปีใหม่นี้ ม, มาสร้างชีวิตตนเองให้เป็นไปตามหลักการหรือเส้นทางทางาศาสนาะที่ถูกต้องเท่าที่ควรโดยส่วนมากทำบุญแล้วก็แล้วกันไปทำทำแล้วก็แล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเองอย่างไรให้เป็นไปตามคตรองในาศาสนาของ เรื่องปีเก่าปีใหม่วันเวลามีความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ก็ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวแห่งชีวิตที่จะเป็นไปในวันข้างหน้าเราไม่ทราบวันข้างหน้าของชีวิตว่าวันข้างหน้าเราจะมีชีวิตเป็นไปอย่างไรแต่เราทราบว่าวันนี้เร า, เราได้มาทําบุญกุศลการท <Informationen. S 2> า, า <gear> บุญกุศลของวันนี้มันเป็นเหตุ และเหตุแห่งบุญกุศลที่เราทําอย่างนี้จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลคำว่าเหตุและปัจจัยอันนี้นี่เองที่เป็นพลังผักดันชีวิตของเราให้มีชีวิตเป็นไปในภายภาคหน้าจะได้สุขทุกอย่างไรยคำว่าสุขทุกอันนั้นหมายถึงว่าความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของชีวิตเป็นอยู่แบบมีความสุขหรือมีความทุกข์เราต้องพยายามแยกภาวะแห่งชีวิตกับสิ่งที่ ฟังแน่นในจิตสิ่งที่ฟังแน่นในจิตผู้จะคือศาสนาชี้ลงไปที่กิเลสซึ่งเป็นตัวป่อให้เกิดทุกข์อันเนี้ยคือสิ่งที่มีอยู่แล้วในจิตใจของคนในความหมายของการทำบุญกุศลอันเป็นเหตุที่เราได้กระทาแล้วก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งผลให้เราได้รับสุขหรือทุกข์แน่นเนเรียกว่ามีสภาพความเป็นอยู่ในภายภาคหน้าเพราะอะไรเพราะชีวิตของเราทุกคน ล้วนแล้วมีเหตุปัจจัยมาจากสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลทั้งนั้นมนุษย์จะมาเป็นมนุษย์ได้ก็โดยอาศัยบุญกุศลบุญกุศลไม่เพียงพอก็มาเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะว่ามีภพภูมิเหล่าอื่นอีกมากมายที่เขาตกอยู่ในภาวะทุกข์ยากลาบากกว่าความเป็นมนุษย์เพราะภาวะแห่งชีวิตและจิตใจของเขานั้นมีพลังแห่งเหตุปัจจัยนั้น พลัก ด, ดันและบีบคั้นให้เขาอยู่ในภาวะจำยอมที่จะต้องรับชดใช้วิบากกรรมในภาวะชั้นต่งคือทุขติภูมิส่วนมนุษย์ชื่อว่าสุคติภูมิมีเหตุปัจจัยคือบุญกุศลผลักกันให้มาอยู่ในภาวะสุคติได้โดยอาศัยบุญกุศลแต่เมื่ออาศัยบุญกุศลมาอยู่มาเป็นในชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์แล้วทาไมเราจังมีความทุกข์อยู่ อันนี้ก็ต้องมองไปที่สิ่งที่ฝันแค่ในจิตให้เรียกว่าวกิเลสมันเด่นกายถูกพวงแต่งมาจากบุญกุศลหากจะมองว่าตัวบุญอยู่ที่ไหนก็ดูที่กายกายมนุษย์คือเป็นที่สแดสแดงออกของตัวบุญกายของสัตว์ในฉันเป็นที่สแสดงออกของตัวบาป ก, กายของเปรตพีปีศารสุรกายเรามองเห็นไม่ได้แต่เรารับรู้ว่า ในหลักคาสอนได้บอกไว้ว่าเปรตยีปีศาระสุนทร่ายมีภาวะความเป็นอยู่อย่างไรสภาพแหงความเป็นอยู่ของเขานั้นจะต้องอาศัยขนทานที่มนุษย์เอ้กระทำและอุทิศให้จึงจะมีภาวะความเป็นอยู่เป็นไปพอเป็นไปได้ในภพชาติแห่งความทุกข์ยากลําบากที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วตัวบุญตัวบาปที่เราเห็นได้ชัดมนุษย์กับสัตว์ในชาตินี้มีภาวะที่มองเห็นกันได้เราเห็นสัตว์ในชาตอยู่ทุกที่ ความเป็นไปของสัตว์เลีัยชางที่เราเห็นนั้นเป็นไปด้วยภาวะของบาปจึงไปสู่ทุคติความเป็นไปของมนุษย์เป็นไปด้วยด้วยบุญจึงมาสู่สุคติบุญตัวบุญก็คือตัวมนุษย์เรานี่เองและในมนุษย์เราก็มีบุคคลผู้มีบุญมากปานกลางและก็น้อยแตกต่างกันบุญมาก ก็ส่งผลให้อยู่ในฐานะที่ดีอยู่ดีมีสุขมีทรัพย์สินเงินทองเข้าคลองอันเป็นที่น่าพึงพอใจน่าปลาธนาน่ารักให้ต้องการสิ่งใดก็ใช้ทรัพย์นั้นสแสวงหามาตอบสนองความสุขในชีวิตผู้มีฐานะปานกลางก็พออยู่พอเป็นพอไปในฐานะเห็นความเป็นปานกลางไม่ฝืดเคืองมากไม่ลําบากมากเงินก็ทรัพย์สมบัติก็ไม่เคยขาดเรียกว่าปานกลาง ผู้อยู่ในฐานะบุญน้อยอันนี้ก็ต้องฝืดเคืองหน่อยก็ต้องดิ้นรนหน่อยในการดํารงชีพเพราะบุญทํามาเท่าไหร่รก็กําหนดให้มีชีวิตในความเป็นอยู่เท่านั้นเท่าที่อยู่มันไม่เกินนั่นไม่มีใครสามารถใช้ชีวิตเกินทาว่าแห่งบุญที่ตัวเองเคยทํามามันเกินไปไม่ได้เพราะว่าบุญมันมีขอบเขตที่จะอาํานวยผลเท่าที่เป็นแม้แต่เทวดาเองก็ตามไปเกิดเป็นเทวราอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกัน ก็มีเทวดาผู้มีบุญมากเทวดาผู้มีบุญปานกลางครนะับเทวดาผู้มีบุญน้อยเทวดาผู้มีบุญมากก็ย่อมได้สักย์ใหญ่สูงศักย์ที่ผสมบัติก็ยิ่งใหญ่กว่าเทพคนอื่นได้เป็นหัวหน้าเทพเช่นเท้าสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทนั่นเองเทพรองลงมาก็ทําหน้าที่รองลงมาที่มีฐานะปานกลางเทพผู้มีศักดิ์ต่าก็เป็นบริวารของเทพผู้มีบุญมากสักด์สูง ปานั้นเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราทราบเหตุปจัจจัยแห่งชีวิตว่าชีวิตจะเป็นอยู่อย่างไรว่ามาจากเหตุปจัจจัยคือบุญกุศลและความเชื่อศรัทธาในหลักการนี้จึงได้นำมาซึ่งการสร้างเหตุปจัจจัยแห่งบุญกุศลในวันนี้สำหรับพวกเราที่จะนำพาเราไปสู่ความเป็นอยู่ของชีวิตในภายภาคหน้า ชีวิตเราจะถูกวางไว้อย่างไรแบบไหนล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยภายในชีวิตที่จะคอยวางตัวเราไว้ในแต่ละภาวะแต่ละเหตุการณ์มันก็คือตัวบุญพระเจ้าจึงตัดถึงบุญก่อนเพราะภาวะชีวิตมนุษย์ย่อม ยังประโยชน์ของตนเองในความเป็นอยู่นี้เป็นสาระสาคัญหรือว่าเป็นเครื่องประกันในภาวะแห่งความดํำรงชีพของตนบุญนี่แหละพงศ์จึงบอกว่าภูเบกัตตุญญตาผู้กระทําบุญไว้แต่ปางก่อนถือว่าเป็นมงคลในชีวิตอย่างหนึง่งแต่การทําบุญเราก็ทราบขอบเขตว่าบุญอํานวยผล หให้ได้สุขติภูมิสองให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ฝืดเพลิงหรือถ้าฝืดเพลิงก็อย่างน้อยสุขติภูมิแล้วก็ได้แล้วคือความเป็นมนุษย์แต่ความทุกข์บุญไม่สามารถที่จะไปแก้ไขความทุกข์ในจิตได้เพียงแค่เป็นตัวบรรเทาทุกข์ในภาวะแห่งความเป็นอยู่เท่านั้นเรื่องของความทุกข์ที่จะเป็นตัวก่อทุกข์หรือว่าสร้างทุกข์หรือสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในจิตที่เป็นมูลเหตุ ทำให้จิตเรามีความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือกิเลส ท, ที่ฝังแน่นอยู่ในจิตนั่นเองกิเลส ท, ที่มันฝังแน่นทำไมมันถึงฝังแน่นอยู่ในจิตเราทั้งที่จิตเราก็เป็นนามธรรมและกิเลสก็ไม่เคยเห็นตัวมาสักทีว่ามันเป็นตัวยังไงมันก็เป็นนามธรรมอีกเหมือนกันนามธรรมนั้นก็คือมีแต่ชื่อนามแปลว่าชื่อนามะมีแต่ชื่อพูดถึงจิตเราก็ไม่เคยเห็นตัว แต่ได้ชื่อว่าจิตมีชื่อว่าเป็นจิตคือชื่อเรียกเรียกสภาพแห่งการรับรู้อารมณ์ต่างๆนานาในตัวตัวเองนี่แหละไอมีแต่ชื่อไม่มีตัวไม่เห็นตัวเนี่ยเขาเรียกว่าจิตถ้ายังไปเห็นตัวอยู่ยังไม่เป็นจิตบางคนบอกเห็นจิตคนนั้นออกจากล่างเห็นจิตคนนี้ออกจากล่างนั่นยังไม่ชื่อว่าเห็นจิตเพราะจิตมันเป็นน้ํามไม่มีตัวอ้าวแล้วที่เขาเห็นมันเรียกว่าอะไรอันที่เขาเห็นน่ะ นา ม, มากายไหนบอกว่านามมีแต่ชื่อทําไมนา ม, มากายยังมีนา ม, มากายอยู่คือนา ม, มากายที่ยึดถือในรูปแล้วสร้างรูปขึ้นมาเป็นตัวกายยึดถือในรูปเลยการยึดถือในรูปมันก็จะสร้างรูปลักษ์ของพาวะในรูปร่างกายของคนคนนั้นไว้ตัวนา ม, มากายอันนี้เรียกได้ว่าเป็น พาว่าแห่งความหลงของจิตอย่างหนึ่งที่จิตหลงยึดถือในตัวกายแม้ออกจากร่างไปก็ยังอาศัยกายของตนเนี่ยกายที่เป็นกายเนื้อกายหนังเนี่ยที่ตนเองไปยึดถือมาเนี่ยยังสร้างรูปลักษ์ภายในไว้อยู่คือเป็นตัวตนของตนเองในในส่วนของนามแต่ตัวจิตจริงๆเนี่ยที่เป็นนามทแท้ๆน่ะไม่มีตัวอย่างนั้นไม่ได้มีรูปลักษ์อย่างนั้นไม่มีรูปรูปร่างร่างกายแบบตัวมนุษย์ตัวคนเงี้ย ตัวจิตเป็นเพียงแค่อาการอาการที่ปาเกิดปากฏแล้วก็ดับไปจึงไม่มีตัวเป็นรูปเป็นร่างให้เราได้เห็นทีนี้ตัวนามคือจิตกิเลสก็เป็นนามอย่างหนึง่งได้เรียกว่ากิเลส ท, ที่มันฝังแน่นอยู่กับนามคือจิต นามกับนามโดยความเป็นจริงแล้วไม่สามารถที่จะฝังแน่นด้วยกันได้เพราะมันเป็นนามเพราะมันเป็นอาการมันเหมือนกับลมกับอากาศคล้ายๆกันคานองว่าลมกับอากาศลมไม่สามารถตั้งอยู่ในอากาศได้เมื่อมันพัดมันก็คือมันพัดไปแต่มันจะไม่ทําให้อากาศนั้นสูญหายไปไหนอากาศก็ยังเป็นอากาศ ลมก็ยังเป็นลมในธรรนองเนี่ยคือเทียบพอให้ทราบแต่ความเป็นจริงมันมันไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นแต่เทียบพอให้ทราบลักษณะอาการของจิตกับกิเลสนะเพื่อให้เราได้กําหนดและทําความเข้าใจเทียบเคียงให้ได้เห็นส่วนความลักษณะความเป็นนามมันแตกต่างจากรูปคําว่ารูปก็คือวัตถุวัตถุ เช่นกระโลนใบนี้ก็คือวัตถุสีก็คือวัตถุสีพ้นติดไว้กับกระโลนนี้มันสามารถพ้นและติดฝังแน่นลงไปในนี้ได้เพราะมันคือวัตถุฝนะังแน่นคือติดค้างอยู่คงอยู่ให้เราได้มองเห็นเนี่ยว่ามีลายนี้ลายนี้แบบนี้อันนี้คือวัตถุแต่นา้าเดือนกับลมกับอากาศ ลมเมื่อมันปรากฏพัดก็คือมันพัดเมื่อมันไม่พัดก็คือหายไปอากาศก็ยังเป็นอากาศนะอากาศคาว่าอากาศในความหมายที่พูดถึงทางธรรมนี้ก ว, ว่าช่องว่างความว่างไม่ใช่อากาศที่เราสูดลมหายใจในภาษาของโลกคือออกซิเจนอะไไม่ใช่อากาศในความหมายของธรรมะก็คือความว่างช่องว่างสิ่งที่ว่างอะไรก็ตามที่ปรากฏเป็นความว่าง นั่นคืออากาศมันไม่มีตัวอากาศเนี่ยปรากฏเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นช่องว่างของว่างๆลมมีตัวไหมไม่มีนะเอาไม่มีทำไมรู้สึกได้เป่าเนี่ยยังรู้สึกลมฮะยังรู้สึกได้มีตัวไหมลมฮะเอาไม่มีทําไมเรายังสัมผัสได้ เป่าองเงี้ยลมเปาลมออกไปอย่างเ <im cia> งี้ยเกิดการกระทบกันแล้วถ้าเป่าลมไปในอากาศอากาศคือช่องว่างรับรู้ลมไหมไม่มีญญาก็ไม่รับรู้ลมหรอ้ม <wheelchair> ันมีชีพวญญาณรับรู้ได้มันสมของเรามันไม่รับรู้ คือที่จะพูดเนี่ยเพื่ออะไรต้องการให้ทราบว่าระหว่างจิตที่เป็นน้ำลมเปรียบเหมือนกับเป็นน้ำแต่ถ้าจะพูดถึงทางโลกของวิทยาศาสตร์ลมคือลูกอันหนึ่งถูกต้องไหมถัดลมเป็นวัตถุรูกอันหนึ่งใช่มแต่ถ้าเราจะพูดถึงในแง่ของวัตถุลูกแล้วเปรียบเทียบกับจิต น, น่ะมันมันมั น, ม, นมันพูดในแง่นะั้นไม่ได้แต่เราให้เข้าใจว่า นี่เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างจิตกับกิเลสพอเข้าใจไหมเหมือนกับลมลมกับอากาศคือช่องว่างความว่างลมพัดลมพัดไปแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่กับอากาศไหมไม่ติดไม่ติดหากวัตถุกักบวัตถุเช่นกระโลนกับสีพ่นใส่กันติดกันได้ใช่ไหมติดได้พ่นมนาใส่เนี่ยมันติดนี่ได้แต่ลมเมื่อพัดมา สามารถติดค้างหรือตั้งค้างตกค้างคงอยู่ในอากาศได้ไห ม, ไมไเป็นลมที่หมุนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่หายไปไหนเลยไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกันจิตกับกิเลสเป็นแบบนี้ไม่สามารถตั้งค้างคงอยู่หรือว่าค้างอยู่มีอยู่ในจิตได้แม้สักขณะจิตเดียวจาไม้เลยนะ กิเลสไม่สามารถคงอยู่และมีอยู่ตั้งทั้งในจิตได้แม้สักขณะจิตเดียวเกิดขึ้นมากับจิตดับลงไปพร้อมกับจิตแล้วก็ดับโดยไม่เหลือในเวลานั้นเอาแล้วที่บอกว่ากิเลสที่มันฝังแน่นในจิตเนี่ยทําไมมันฝังแน่นอยู่คำว่าฝังแน่นมันบ่งบอกถึงความมีอยู่และค้างกันอยู่และแน่นอยู่อย่างนั้นติดอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเหมือนกับพ่นสีลงไปในเนี่ยมันก็ติดกันอยู่อย่างนี้เพราะวาอะไรเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุใ ห, ให้เกิดทุกข์และเราทุกคน ก็สามารถมีความทุกข์ได้ตลอดเวลาหากมีเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความทุกข์เราก็จะมีความทุกข์ได้ตลอดเวลาใช่ไหมมีคนมารมดาใครพอใจกับคําด่าบ้างทุกข์ใช่ไหมเดี๋ยวว่าแต่คนอื่นด่าเลยเงี้ยด่าล่ะทุกข์มากกว่าเอพูดออกมาี่จับใจจริงด้วยนะ ของจริงเนี่ยติดตัวไปยังด่าเทีนี้ที่เราทุกเพราะคําด่าเพราะอะไรทั้งๆ้งที่จิตมันก็เป็นนามอารมณ์ก็เป็นนามกิเลสก็เป็นนามนามกับนามต้องตั้งค้างกันอยู่ไม่ได้เราไปทุกข์เพราะมันทําไมมันเป็นแค่น้ําผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยไม่ได้หรือเหมือนกับลมพัดไปในอากาศก็พัดไปแ ล, แล้วก็แล้วไปเลยไม่ได้เหรือทําไมจะต้องไปเป็นมีทุกข์ ถามว่าเวลาลมพัดมาอากาศมันมีความรู้สึกเป็นทุกข์ไหมไม่แล้วทําไมเวลาจิตรับอารมณ์ทำไมต้องมีทุกข์ยึดเพรยึดแสดงว่ากิเลสจะสามารถ อ, อยู่ในจิตในใจหรือฝังแน่นได้คือทีิฏฐิจีนกิเลสฝังแน่นไม่ได้หรอกแต่ความเห็นที่เรามีความเห็นผิดเมื่อจิตรับกระทบอารมณ์แล้วไม่ทราบความดับ ไปของอารมณ์ตามความเป็นจริงนั่นแหละฟังให้ดีนะกิเลสไม่สามารถตกค้างตั้งค้างฝังแน่นและคงอยู่ในจิตได้แม้สักขณะจิตเดียวมันตั้งค้างอยู่ไม่ได้หรอกกิเลสะ่ะอารมณ์เ็นกระทบจิตเกิดความพอใจไม่พอใจหุดจิตโมโหรำคาญสุดท้ายก็คือดับเข้าใจนะแต่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทําความเข้าใจและไม่ได้อบรมใจของตนเองเมื่อถูกอารมณ์กระทบ ความเห็นผิดไปเข้าใจอารมณ์ที่กระทบแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้ ง, แ ต, งแต่ละครั้งว่าอารมณ์เหล่านี้มันมีอยู่คงอยู่ตั้งอยู่เป็นความเห็นผิดล้วนล้วนของเราที่เราสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวกิเลส ท, ที่แท้จริงมันไม่มีหรอกหากับชี้กิเลสชี้ไปที่ความเห็นผิดของเราเองตัวกิเลสนี่ไหมมีแต่มันมีเกิดพร้อมกับจิตและกระดับลงไปพร้อมกับจิต แล้วก็ดับดไปโดยไม่เหลือมีแต่มันดับไปแล้วไม่เหลือแต่ความเห็นของเราที่เห็นว่ามีอยู่พอใจไหมความเห็นที่เห็นว่ามีอยู่เนี่ยมันมันคือกิเลส ท, ที่เรานํามาสร้างความทุกข์ให้กับเราเองต่อไปมีคนมาด่าเกิดความโกรธไหมโกรธแต่ว่าโกรธแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะความโกรธ เป็นไปได้เหรือโกรธแล้วไม่ทุกพความโกรธเป็นไปได้สิทาไมจะเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้โกรธใช่ไหมไม่ได้ห้ามนะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไงห้ามทุกข์เพราะความโกรธหรืออยากโกรธตอบเพราะการโกรธตอบเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์และอย่าทุกข์เพราะอารมณ์แห่งความโกรธที่เกิดขึ้นแต่ให้เข้าใจความโกรธนั้นว่าความโกรธเป็นทุกข์พอเข้าใจไ่ย ให้เข้าใจว่าความโกรธที่เกิดในจิตเป็นทุกข์คนที่ฝึกจิตให้รู้เห็นความโกรธที่เกิดในจิตว่าเป็นทุกข์คนคนนั้นจะเป็นผู้เห็นทุกข์คือเห็นอารมณ์แห่งความโกรธที่ก่อให้เกิดทุกข์ในจิตผู้ที่เห็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตเห็นจิตขึ้นมารับอารมณ์แห่งความโกรธในคร่าได้แล้วฝึกดูอารมณ์ที่เกิดกับจิตในเท่านั้นพร้อมกับเห็นการดับไประหว่างจิตกับอารมณ์ แห coating, believe, hey, ่งความโกรธพร้อมกันที่ดับไปนั้นดับไปด SI ้วยกันเกิดขึ้นมารับอารมณ์ดับไปด้วยกันเกิดขึ้นมารับอารมณ์ดับไปด้วยกันไม่เห็นความตั้งค้างตกค้างเหลืออยู่คงอยู่ในจิตในอารมณ์เห็นอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นย่อมเป็นผู้รู้ความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะคําว่ารู้ความสิ้นไปของราคะโทสะโมหะคือรู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามากระทบจิตและดับลงไปพร้อมกับจิตโดยไม่เหลือ มาอีกเกิดอีกดับอีกก็ไม่เหลือมาอีกดับอีกเกิดอีกก็ไม่เหลือมาใหม่เกิดใหม่ตั้งอยู่ใหม่ดับลงไปใหม่ก็ไม่เหลือไม่มีอารมณ์เหลือเพียงแต euh. ่มันมีมาใหม่เท่านั้นเองแต่อารมณ์เก่าไม่ได้เหลืออยู่ไม่ได้คงอยู่ไม่ได้มีอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ฝังแน่นแต่ความเห็นผิดนั่นเองเป็นเครื่องฝังแน่นในจิตเราและทาให้เราหลงผิดยึดถือเอาอาการแห่งอารมณ์ที่เราไม่เห็นตามความเป็นจริงมาสร้างทุกข์ให้กับเราตรงนี้ สาระสำคัญในส่วนนี้ยระพุทธเจ้าจึงสอนเหตุปัจจัยภายนอกคือบุญกุศลเหตุปัจจัยภายในคือสมาธิและปัญญาเพื่อทําจิตให้ดีวุฒิคือให้ทําจิตให้พ้นออกจากอารมณ์เนี่ยอารมณ์แห่งความหลงมำไงไม่ได้ให้พ้นจากอารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงไม่ได้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นนะพ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราอยู่ในโลกเมื่อเราอยู่ในโลกอารมณ์ของโลกคือมีอารมณ์โลกอารมณ์โกรธอารมณ์หลงใช่ไหม มันยังมีอยู่เมื่ออารมณ์มีอยู่แต่เราไม่ทุกข์ไม่เขาเรียกว่าไม่เป็นไปตามอาการแห่งความโลภที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามอาการแห่งความโกรธที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามอาการแห่งความหลงที่เกิดขึ้นกระทาจิตให้พ้นออกมาจากอาการแห่งความโลภความโกรธความหลงและพ้นนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าอารมณ์หล่อนี้่จะไม่ผ่านเข้ามาในจิตอีกมันก็ผ่านเข้ามาในจิตเหมือนเดิมแต่การรู้และเข้าใจอารมณ์ของโลกเนี่ยตามความเป็นจริงของโลก รู้ว่ามันมีอยู่ตามความเป็นจริงรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาตามความจริงรู้ว่ามันดับไปตามความเป็นจริงก็เป็นผู้รู้ทุกข์รู้เห็นให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์ตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละจิตดวงนั้นที่รู้อย่างนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อตนเองจับพ้นออกจากอารมณ์ไม่ถูกอารมณ์คือความเห็นผิดความนําใจได้ทีนี้วันเวลาผ่านไปล่วงไปปีที่แล้วเราเคยปวดไหม ปีที่แล้วเราเคยโลภไหมปีที่แล้วเราเคยหลงไห ม, มความปวดของปีที่แล้วมีอยู่ไหมตอนนี้อันนี้แข้นฝังหุ่นนี่โ้โหแค้นฝังหุ่นเลยนะเขบอกมีอยู่นี่มันดับไปหมดแล้วเข้าใจไหม <S <S 2> <S 2> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นคือเหตุปัจจัยใหม่อันตีที่แล้วก็หมดไปแล้วขอเข้าใจบอก ฝึกให้ดีนะตรงนี้ต้องฝึกให้ดีนะหลงทางไม่ได้นะถ้าหลงนี่ผิดประเด็นเลยนันความโกรธเมื่อปีที่แล้วยังมีอยู่ไหมไม่ทักโกรธใหม่ก็คือการโกรธใหม่ในเวลานี้มันไม่ใช่การโกรธของปีที่แล้วความโกรธของปีที่แล้วคือของเป็นปีที่แล้วล้ก็ดับไปหมดแล้วในปีที่แล้วความโลภของปีที่แล้วก็ดับไปหมดแล้วของปีที่แล้วไม่เหลืออีกแล้วความหลงของปีที่แล้วก็หลงก็ดับไปหมดแล้วของปีที่แล้ว หากจะโลบ ก, ก็คือโลภใหม่โกรธใหม่หลงใหม่เข<ห>้าใจไหมมันเป็นสิ่งที่เกิดใหม่เพราะชีวิตของเราจึงมีสิ่งเกิดใหม่มาพร้อมกับอารมณ์ของโลกอยู่เสมอ<ห>เราจึงมาเข้าใจผิดในตัวเองว่าเราทำไมยังมีความโกรธอยู่ทำไมยังมีความโกรธอยู่อันนี้คือความหลงหลงเข้าใจว่าตัวเองมีความโกรธอยู่ที่แท้แล้วความโกรธไม่ได้นี้มันเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับ อะไรไหมเอางี้ดีกว่าวันก่อนสองวันที่แล้วมีความโกรธไหมหงุดหงิดโมโหใครไหมเอาทุกวันเลยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ในโลกนั่นคืออารมณ์ของโลกเมื่อมันมีอยู่มันมันเกิดอยู่มันเกิดแล้วมันดับไปเกิดแล้วมันดับไปแล้วมันเกิดใหม่พอมันเกิดใหม่แล้วอารมณ์ที่เกิดใหม่มันเหมือนกับอารมณ์เดิมที่เคยเกิดมาแล้วเน่ยมันทําเลยเลยทําให้เราเห็นผิด เห็นผิดว่าอารมณ์มีอยู่มีอยู่ตลอดมันเห็นผิดอย่างนั้นน่ะแม้จะด่าคําเก่าแต่เป็นกับคําด่าใหม่เข้าใจไหมแม้จะเป็นความโกรธก็เป็นโกรธแบบเหมือนเก่าแต่เป็นการโกรธใหม่แม้จะเป็นการหงุดหงิดแบบเก่าแต่ก็เป็นความหงุดหงิดใหม่แม้จะเป็นปีเกา่าวันที่จะเข้ามา มันก็คือวันใหม่ปีใหม่เอาเมื่อวานนี้ล่วงไปหรือยังดับไปหรือยังหมดไปหรือยังสิ่งที่เราทําเมื่อวานนี้ยังคงมีอยู่ไหมสิ่งที่เราพูดเมื่อวานนี้ยังมีอยู่ไหมสิ่งที่เราคิดเมื่อวานนี้ยังมีอยู่ไหมสิ่งที่เราโลภเมื่อวานนี้สิ่งที่เราโกดเมื่อวานนี้สิ่งที่เราหลงเมื่อวานนี้แสดงว่ามันดับได้ใช่ไหม แต่เราไม่เห็นการดับของมันอย่างเนี้ยพอเข้าใจไหมเมื่อเราไม่เห็นการดับการล่วงไปละไปล่วงไปละไปล่วงไปละไปตามการเวลาตามวันเวลาตามความเป็นจริงเราจึงหลงยึดติดในสิ่งที่เกิดใหม่ที่เป็นลักษณะเหมือนเดิมกับสิ่งที่ล่วงไปดับไปละไปมันเกิดใหม่แล้วเขาจะมีอยู่ความหลงผิดที่เข้าใจมีอยู่นี่แหละมันสร้างอัตานุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตนมีตนเข้าใจในความเป็นตัวตนในสิ่งนั้นว่ามีอยู่ บุคคลผู้เห็นสิ่งใดเกิดแล้วไม่เห็นสิ่งนั้นดับย่อมเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีอยู่บุคคลใดก็ตามที่เห็นสิ่งนั้นเกิดและเห็นสิ่งนั้นดับย่อมไม่หลงผิดคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เพราะมันดับได้มันจะมีอยู่ได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นความโลภมีอยู่จริงไหมไม่มีมันด <PR shed> ับได้แล้วมันเพิ่งเกิดเมื่อเจออะไรบางอย่างที่เราชอบใจแลาอยากได้ใช่ไหมแล้วมันเพิ่งเกิดเมื่อเราเจอสิ่งที่น่าขัดเคืองใจและปฏิเสธ ขัดแยง้งไม่พอใจใช่ไหมแล้วมันก็เพิ่งเกิดเมื่อเราหลงยึดถืออารมณ์ที่เกิดในจิตว่าอารมณ์นี้เราไม่พอใจหรือเราพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจเป็นความหลงมันเพิ่งจะเกิดตอนนี้แต่เมื่อเกิดแล้วมันก็ดับไปละไปหมดไปพ้นไปอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่ทําจิตของเราให้พ้นเพราะเรามีความเห็นผิดในอารมณ์ที่มัน เกิดกับชีวิตประจําวันเรานี่ยแหละอย่าลืมนะสี่งเหล่านี้คืออารมณ์ของโลกเมื่อเป็นอารมณ์ของโลกเรายังอยู่ในโลกเมื่อเรายังอยู่ในโลกเราจะไม่ให้อารมณ์ของโลกผ่านเข้ามาสัมผัสกับจิตได้ไหมไม่ได้มันต้องผ่านเข้ามาสัมผัสกับจิตแต่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับจิตแล้วผ่านมาแล้วทํายังไงมันถึงจะไม่ครอบงําใจเราให้เป็นผู้ตกอยู่ภายใต้อารมณ์แห่งความทุกข์เมือ่ออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะ นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นหากพูดตามหลักการนี้ชีวิตของเรามีชีวิตเก่าอยู่เหลือไหม ม, มีแต่ชีวิตใหม่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมปีที่ผ่านปีที่เก็บวันข้างหน้าที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเป็นวันใหม่มไหมวันใหม่วันใหม่แล้ววันที่ร่วงไปขณะนี้คือวันเก่าใช่ไหม ก็คือวันที่ล่วงไปลาไปลาไปแล้วในวันวันเวลาของโลกเนี่ยมันมี365วันหรือมีกี่วันตอนหนึ่งปีไม่ใช่มีแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วจริงนะครับฮะจริงไหมจริงครับก็มีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไงเออมีวันต่อวัน เออนี่เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มฉลาดแล้วเริ่มเริ่มทันแล้วเริ่มคิดตามทันแล้วเมื่อมันมีแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งชีวิตเราก็มีแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งใช่ไหมชีวิตเราจะสามารถมียืดยาวไปข้างหน้าได้ไหมไม่ได้มันมีแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้ววันหนึ่งนี้ล่วงไปหรือยังเช้านี้ล่วงไปหรือยังกังวันกําลังจะล่วงไปนี่ใช่ไหมกําลังจะเข้าเดินเข้าไปหากังวันใช่ไหมสายสายมานี่ก็เริ่มล่วงไปแล้วใช่ไหม ชีวิตหมดไปหรือยังหมดไปแล้วสีเอาแล้วถ้ามันยังอยู่ชีวิตเมื่อเช้านี้หายไปไหนชีวิตเมื่อเช้านี้ยังคงเหลืออยู่ไหมชีวิตเมื่อตอนสายๆนี่ยังคงเหลืออยู่ไหมชีวิตเมื่อตอนสิบโมงยังเหลืออยู่ไหมชีวิตที่กําลังจิบกาแฟจิบชากันอยู่เหลืออยู่ไหมเหลือแต่ชีวิตที่กําลังฟังธรรมอยู่นี้ใช่ไหมนี่คือการเกิดใหม่นะชีวิตเราเกิดมาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม หมดไปอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะความหมดไปจึงมีการเกิดใหม่ขึ้นมาแทนเพราะความหมดไปจึงมีการเกิดใหม่ขึ้นมาแทนจนไปถึงไขแห่งชีวิตคือสุดท้ายรเรียกว่ามาลาะคือตายตายคือดับชีวิตในภพแห่งความเป็นมนุษย์นี้ถาวอลเกิดใหม่ไหมหากยังไม่สัมผัสกับพระนิพันธ์เกิดใหม่แน่แต่หากเก็บใดสัมผัสกับพันิพันธ์หากสัมผัสใน ในระดับโสดาบันก็เกิดอีกเจตชาติหากสัมผัสในสระดับสกทาภามีก็เกิดอีกหนึ่งชาติหากสัมผัสในระดับอนาคามีก็เกิดอยู่ในสุาาทภาพพรมหากชั้นหากสัมผัสในระดับพระอราหันต์เกิดไหมไม่เกิดไปไหนไม่เกิดแล้วไปไหนดับสนิท ด, ดับสนิทประดุดดังดวงประทีปที่ดับไป ดวงประทีปที่ดับไปรู้ไหมว่าเมื่อดวงประทีปดับไปแล้วไปไหนดวงประทีปหายไปไหนก็คือดับไปแสดงว่าสาบสูญไปก็ดับใช่ไหมแสดงว่าสาบสูญไปอ๋ถ้าเป็นพลังงานก็ยังเป็นสังคตธรรมตแต่ ทำที่พระอริยเจ้าอารหันต์บรรลุถึงเป็นอสังขตธรรมไม่มีการปรุงแต่งถ้าอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติก็ยังเป็นสังขตธรรมอยู่ทำทั้งหมดยังเป็นสังขตธรรมอยู่ธรรมชาติทั้งปวงยังเป็นสังขตธรรมอยู่แต่พระนิพพานไม่ใช่สังขตธรรมเป็นอสังขต เข้านิพพานดับแสดงว่าไม่มีอะไรเหลือหายสาบ<ฮ><า>สูญจะเปรียบเทียบให้ทราบว่าดวงไฟที่เราจุดขึ้นจุดขึ้นเกิดเป็นดวงไฟนะ เ, เมื่อเราดับไปพึบดวงไฟหายไปแต่ธาตุไฟยังอยู่ไหมธาตุาไฟยังอยู่ไหม ถาธาตุไฟไม่มีเราจะไม่สามารถจุดไฟขึ้นมาได้ธาตุไฟมันอยู่ในอากาศใช่ธาตุไฟมันอยู่อ ย, อยู่อยู่อย่างเงี้ยตลอดมันมีอยู่แต่ไม่ได้ถูกจุดขึ้นคงอยู่คงอยู่ธาตุไฟมีอยู่นะแต่ไม่ได้ถูกจุดขึ้นขอเข้าใจไหมมันมันดับก็จริงอะดวงเทียนดับดวงไฟดับดวงกระถิบดับก็จริงแต่ไอที่ดับไปเขาเรียกว่าธาตุผสม คือสิ่งที่ถูกจุดขึ้นพอดับไปปุ๊บกลับไปสู่ธาตุเดิมคือเตโชธาตุเตโชธาตุคือธาตุร้อนหรืออบอุ่นเรียกว่าธาตุไฟเนี่ยเป็นธาตุที่ยังไม่ถูกผสมขึ้นเป็นเรียกว่าธาตุเดิมธาตุเดิมนี้คือธาตุที่มีอยู่ทุกที่ในสภาพอากาศใต้ดินก็มีใต้น้ําก็มีทันในน้ําแข็งก็มีธาตุไฟเข้าใจไหมแต่ไม่ได้ถูกจุดขึ้นมาเป็นเปลวไฟพอเข้าใจไหมคือดับลงไป ก็เรียกว่ากลับไปสู่ธาตุเดิมธาตุเดิมนี้แม้จะเป็นธาตุที่เรียกว่าร้อนหรืออบอุ่นก็ตามแต่เมื่อกลับไปสู่ธาตุแล้วจะไม่แสดงความร้อนหรืออบอุ่นขึ้นมาแต่ธาตุมีอยู่ตัวธาตุมันมีแต่ไม่แสดงภาวะรือ้อนหรืออบอุ่นธาตุไฟที่ยังไม่ถูกจุดขึ้นนี้จึงเป็นธาตุอันบริสุทธิ์แต่จัดอยู่ในส่วนของสังขารต่าธาตุธาตุที่เป็นรุงแต่งเพราะยังถูกจุดขึ้นมาได้อยู่ พอเข้าใจไหมท่าลมเหมือนกันเวลาลมหยุดพัดทาดลมกลับไปสู่ทาาเดิมอาการพัดนั่นคือทาดผสมพัดหมุนเวียนพัดหมุนแบบไหนก็ตามเทิอนอโดไต้ฝุ่นหรืองวงช้างที่หมุนอันนั้นก็คือทาดลมที่เป็นทาดผสมในการพัดหมุน แต่พอมันหยุดปั๊บนิ่งท่านนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านลมหายไปไหนกลับไปสู่ท่านเดิมใช่ไหมไม่ปรากฏลักษณะไม่ปรากฏการท่านแต่ความเป็นท่านลมมีอยู่เรียกว่าบโยท่านดินนะเมื่อถึงขาวกับทีนาสโลกนี้แตกสลายมาลายสิ้นไปหมดเลยไม่มีเหลือโลกไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงดาวไม่ดาวทั้งหมดในจักรวาลไม่มีโลกไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีแตกสลายไปหมด เหลือธาตุไม่มีธาตุแห่งความเป็นกลุ่มก้อนของดินนี้อยู่ปัทภีเนี่ยไม่มีนะแต่ปัทภีธาตุมีแต่ไม่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ปรากฏลักษณะตัวของมันเองแต่ตัวธาตุมันมีพอเข้าใจไหมคือธาตุเดิมของมันธาตุน้าเหมือนกันความเหลวแล้วเอื้ออาบอันที่เราเห็นเป็นน้ําเป็นน้ําเป็นหยดเป็นหยดอันนี้เราพิธาผสมแล้วแต่เมื่อถึงคราวกลับที่หน้า ไม่เหลืออะไรเลยแล้วมีแต่สภาวะอากาศเบืองวางบ้างเปล่าเฉยๆไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงดาวไม่มีดวงอาทิตย์มีแต่ความบ้างเปล่าแต่ไม่ใช่ที่พานเพราะยังไมยังเป็นสังกตดธาตุธาตุน้ก็ยังคงอยู่อาโปธาตุแต่ไม่แสดงลักษณะปรากฏชัดแต่ความเป็นธาตุยังร่องรอยอยู่ในอาวากาศนี้และไม่ปรากฏเป็นรูปวัตถุให้ใครได้เห็นเขาเรียกว่าเป็นธาตุดั้งเดิมเพราะธาตุแปลว่าเขามูลเดิม สิ่งที่ทรงอยู่เดิมในธรรมชาติในอวกาศในจักรวาลเป็นอย่างนั้นจิตก็เหมือนกันจิตเมื่อถึงข่าวกับพินาจิตทั้งหมดจิตในความเป็นมนุษย์ก็สลายจิตในความเป็นเทวดาก็สลายจิตในความเป็นพรมก็สลายเหลืออย่างเดียวคือธาตุเดิมพรอมจิตคืออาภัสระแต่ธาตุเดิมพ้องจิตไม่ใช่ธาตุเดิมแบบจิตดั้งเดิมนะไม่ใช่จิตเดิมที่เขาเข้าใจว่าจิตเดิมแค้อะไรนั้นไม่ใช่นะ อ, อ่นว่าจิตเดิมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสังขตะสังขาต่างคือมีสามลักษณะเกิดปรากฏตั้งอยู่แล ะ, ะดับใช่หัหยเราอนิษฐานผกันอนัตตาจิตก็ตกอยู่เป็นสังขตะเมื่อใดก็ตามที่จิตกลับไปสู่ธาตุเดิมจะไม่ปรากฏอยู่ในภาวะหรือเพศไหนไม่มีเพศไม่มีภาวะไม่มีเทวดาไม่มีผม ไม่มีสัจจะเดชะไม่มีเปลี่ยนเปลี่นผีปีศาจุดลกายไม่มีนรกนรกปัญหาที่หมดมมดวงจิต ก, กลับไปสู่ธาตุเดิมคือธาตุเดิมแต่ธาตุเดิมของการคงแต่งแต่งตเกิดจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับในพระวะเดิมของมันแต่ไม่ใช่เคยเดิมแบบมีอยู่คงอยู่ตั้งอยู่แบบเป็นอัตตาตายตัวอะไนั้นไม่มีเพราะทัศนาของทางพุทธศาสนาชี้ชัดอย่างตายตัวไว้เลยว่า สิง่งตัวตนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ <gehört S 1> <da> ไมีอยู่จริงไม่มีจร <Ride off> ิงคือไม่ได้คงอยู่จริงตั้งอยู่จริงสักขนาดหนึ่งไม่มีจิตที่ตั้งอยู่สักขนาดหนึ่งเป็นของตายตัวจริงไม่มีให้เข้าใจอย่างนั้นจิตเราเองก็เหมือนกันที่อยู่ในเวลานี้ไม่มีการคงอยู่สักขนาดดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปทุกๆขนาดพอเข้าใจนะอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราสุขทุกข์ดีไม่ดีตั้งอยู่ได้สักขนาดไหม ตั้งอยู่ไม่ได้ใช่ไหมหา <c unacceptable> <ao S 2> ความดีตั้งอยู่ได้เวลาคนทําดีคราวหนึ่งปุ๊บมันต้องดีไปตลอดใช่ไหมจะต้องไม่กลับไปทําสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมถ้าความดีนั้นมันคงที่ไม่คงที่นะความไม่ดีก็ไม่คงที่ใช่ไหมความดีก็ไม่คงที่ใช่ไหมบุญก็ไม่คงที่ใช่ไหมบาปก็ไม่คงที่ใช่ไหมดีก็ไม่งั้นก็ไม่ต้องทํามันดอไม่คงที่สักการ์ดหรือทําไง ทำไมต้องทำมันมีคมที่อ่ะอ๋อถูกต้องมันดีใช่ตรงเป๊ะเลยเ<ม>พราะอะไรเพราะมันดีเ <c oughs> พราะอะไรดีนํามาซึ่งประโยชน์ไม่ดีนํามาซึ่งโทษเพราะฉะนั้นดีจึงควรการทำไม่ดีจึงควรละฉะนั้นเมื่อเรายังอยู่ในโลกที่เป็นสังขารตาเราจึงจะต้องรู้จักการทําสิ่งที่นํามาซึ่งประโยชน์และก็เว้นในสิ่งที่นํามาซึ่งโทษ ก็เ ร, เรียกว่าอยู่ในสังคตะแบบฉลาดแบบรู้เหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยของเรามาจากเหตุแห่งการกระทาแล้วชีวิตเราจะเป็นไปในภาภะหน้าอย่างไรก็มาจัดเหตุพวกนี้เหตุเนี้ยแต่เมื่อเราไปเจอเหตุปัจจัยอันไม่ดีที่เราเคยทํามาไม่รู้แต่ปางไหนล้วมันมาส่งผลในเวลานี้เนี่ยจะทํำยังไงตามไปแก้เหตุแต่ที่ผ่านมาได้ไหมไม่ไ ด, นะไได้กลับไปแก้ไขเรื่องเราเมื่อวานได้ไหมไม่ได้ไไดทําไงอ่ะ ฝึกจิตเข้าใจไหมเนี่ยต้องต้องเข้ามาหาจิตฝุกจิตให้จิตนี้อยาาทุกกับโทษที่มันมาถึงตัวเราในเวลานี้อย่าทุกเพราะโทษนั้นก็เป็นทุกแล้วมันนํามาซึ่งความทุกอยู่แล้วอย่าทุกเพราะอาการแห่งโทษที่ก่อให้เกิดทุกข์กับเราที่มันเกิดขึ้นพอเข้าใจไหมเหมือนกับพระพุทธเจ้าเดินไปให้เทวทัพกิ้งก้อนหินทับเลย ก็ท่านท่าที่พงศ์ก็ทราบอยู่แล้วว่าเทวทัตจะกินก้นหินทับทำาไมไม่หนีพระโมคคัลลานะเหาะหนีโจนที่ยามาฆ่าตัวของท่านเหาะหนีได้โจนก็ฆ่าไม่ได้พอจนหนีไปก็วางแผนกันใหม่โมคคัลลานะกลับมาที่เดิมโจนก็วางแผนกันมาอีกเป็นครั้งที่สองท่านรู้พระโมคคัลลานะรู้นะเหาะหนีหนี โมโคลาหหอนี้โจรก็ไม่เห็นโมคลานะก็ไปวางแผนกันใหม่ท่านก็กลับมาที่เดิมโจรก็มาอีกเป็นครั้งที่สามหอนี้อีกครั้งที่สมโจรทำอะไรไม่ได้ทีนี้ท่านโมคลาหนะก็เลยมานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมโจร น, น่ตามลาวีเราอยู่ดีด้วยจึงไปทราบอดีตชาติผนหลังมาตนเองเคยทำกรรมกับบิดามารดา ม, มาก่อนเคยทุบตีพ่อแม่มาก่อน ไงเมื่อทุบตีพ่อแม่กรรมนั้นส่งผลให้โจร น, นํามาฆ่าตัวเรามาทุบตีเราทีนี้ครั้งที่สี่หอกหนี้ไม่ได้เลยเพราะกรรมบังคับไว้กรรมบีบไว้หอไม่ได้มีฤทธิ์แค่ไหนก็หอกไม่ได้ไงโจรมาถึงปับป๊บก็กระนำทุบตีเลยนี่ข้าทุบ ก, กระดูกนี่ละเอียดเท่ากับมเมล็ดข้าวสาลี คำดูตรงไหนยังไม่ตรงไหนยังไม่เท่าเมล็ดข้าวสารก็พุกอีกให้เท่ากับเมล็ดข้าวสารเพราะพระโมคคลลานะมีลิ์มากเขากลัวฟื้นคาไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงไหนยังไม่เท่ากับเมล็ดข้าวสาพุบให้เท่ากับเมล็ดข้าวสารแหละเอียดขนาดนั้นคาไปตรงหัวกระโหลกยังไม่เท่าเมล็ดข้าวสารพุบจนและเอียดเท่ากับเมล็ดข้าวสารคำไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ดูแข้งกระดูขาคาไปตรงไหนที่ยังเหลือก้อนเป็นก้อนใหญ่ๆยุบให้แหลละเอียด โมฆรณะตอนนั้นก็เข้าชานไม่รับฟูไม่รับทราบความเจ็บปวดอันนี้คือกรรมที่ต้องยอมรับกรรมที่ต้องเกิดขึ้นแต่ไม่ทำจิตให้เป็นทุกข์เอาไหมโดนอย่างนั้นเอาไงโดนทุกข์าบโดนดายยังไม่พอใจแลยน่าโดนทุกข์จะขนาดไหน ทีนี้จนรู้ว่าทุกต้นแตกแหลกละเอียดแล้วก็กลับไปตายแล้วเปรายงานเจนน้านายที่จ้างมาเรียบร้อยแล้วโบคาณะไม่เหลือแล้วพอโมคาณะก็ออกจากชานประสานกันรูปต่อกันเปๆๆๆๆๆ็นมาดีไหมดี <laughs> <laughs> ชอบอย่างเงี้ยพวกเรา <laughs> ชอบแต่อิทิลิตบ ร, ริหารหอย่างเงี้ย นี้ก็เลยหอไปหาพระพุทธเจ้าสาทุศพเจ้าข้าข้าพวงขอปรินิพพานพเจ้าข้าตายต้องตายไงถึงวันละพระเจ้าบอกเออโมขะนะเธอจงปรินิพพานเถิดก็หอบขึ้นไปกลางอากาศสลายธาตุขันนีท่านยอมรับแต่ท่านมีทุกข์พุทธเจ้าเดินไปให้พระเทวทัตกิ่งก้อนหินรับพระองค์ไม่ทุกข์ แต่เจ็บไมหมเจ็บโลหิตห่อเจ็บแต่ไม่ทุกเนี่ยจะฝึกใจยังไงไม่ให้ทุกกับอิบาดกรรมที่มาถึงเราทำยังไงคือฝึกจิตให้อยู่เหนืออารมณ์เพราะจิตเรามันจะคอยไปรับแต่อารมณ์ไปวิ่งจับแต่อารมณ์อารมณ์ทางกายเห็นไหมอารมณ์ทางจิตอารมณ์ทางกายคือความเจ็บความปวดความอะไรที่มันเกิดกับชีวิตของเรา เกิดต่างๆน้าหลายประการน่ะเนี่ยเป็นยังไงกินเนื้อกินหนังกินอะไรได้ยั ง, งนะัน่นก็คือส่วนหนึ่งไม่ไดีดีขึ้นเลยต้องต้องพิจรารณาขั้นตอนเพิ่มขึ้น พิจารณา6ขั้นตอนให้มากคือแยกแยกแยกแยกส่วนแห่งกายความร้อนเป็นธาตุอะไรเอออ๋อธาตุไฟปรากฏก็รับรู้ว่านี่คือธาตุไฟธาตุไฟเป็นสุกหรือเป็นทุกข์ธาตุไฟเป็นสุกหรือเป็นทุก์โดยตัวของมันนะมันเป็นสุกหรือเป็นทุก์ ใช่ธาตุไฟไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่ผู้ที่ไปรับอาการของธาตุไฟไปสร้างสุขสร้างทุกข์ึน้นอย่างเงี้ยพยายามที่นาแยกแยะสิ่งที่เราปฏิบัติจี่นาใจาแล้วก็แยกจิตให้เขาไปรู้ไปเห็นความจริงมันจะค่อยๆลดพร อ, อุปาทานของขันที่มันมีตัวเชื่อมโยงระหว่างตัวความทุกข์เข้ามาหาจิตก็เรียกว่า กายกับจิตเนี่ยมันเชื่อมโยงกันตลอดเวลาอะไรก็ตามกระทบกายก็ต้องกระเทือนจิตแต่เมื่อมีปัญญาพิจารณาแล้วอะไรก็ตามกระทบกายมันไม่กระเทือนจิตกายก็คือกายจิตก็คือจิตจิตเป็นนามแค่แค่แแรับทราบสิ่งที่ปรากฏกับกายแต่ไม่กระเทือนคือไม่เป็นทุกข์กับอาการที่ปรากฏกับกายเขาเรียกว่ามีปัญญาอยู่เหนือกับอาการที่เกิดขึ้นจึงแนะนําให้ฝึกพิจรารณายแยกแยะเมื่อแยกแยะร่างกาย 6ขั้นตอนได้แล้วก็มาฝึกพี่นะแยกจิตในนา ม, มขันศีลเวทนาสัญญาสังสญญามยันยณนตรงนี้การฝึกแยกแยกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะค่อยๆไปที่คลายเรื่องราวที่เกิดกับชีวิตของเราในแ ต, แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพื่อยกจิตของเราให้พ้นออกจากความเห็นผิดในการยึดถือในอาการทั้งหมดทั้งมวลตราบใดที่ยังมีกายอยู่และยังมีจิตอยู่ตราบนั้น สิ่งเหล่านี้ก็ยังสามารถทําให้เราทุกข์ได้อยู่นี่คือเหตุผลทางศาสนาที่พยายามจะสอนก็เราได้ทราบเหตุปัจจัยส่วนเหตุปัใจจัยนี้ในอดีตนั้นแก้ไม่ได้เป็นผลส่งมายอมรับส่วนจิตแก้ได้นะแก้ได้โดยการฝึกจิตให้เกิดปัญญาและทําจิตให้พ้นออกจากการยึดมั่นถือมัน่นก็สามารถแก้ได้เมื่อแก้ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็ตาม ก็ให้มันเกิดไปแต่อย่าไปเรียกร้องหาว่าให้มันเกิดอะไรประเภทบางคนบอกว่ามีกรรมเท่าไรขอชดใช้กรรมทั้งหมดในชาตินี้ตายเปล่าเปล่อันนั้นไอ้คนที่ประเภทไอ้คิดอย่างนั้นนะก็ไม่อย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องบอกว่าบุญใทดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าบําเพ็ญมาขอบุญนั้นจงลดทอนภาววแห่งกรรมหรือทําให้ข้าพเจ้าพน้นจากวิบากกรรมเหล่านั้นดยเถิดหาดวิบากกรรม ไม่พ้นก็ขอให้เบาบางลงต้องอธิษฐานอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วอาศัยจังหวะที่การรเบาบางนั้นฝึกพิทิพิจารณาจิตให้แยกออกมาจากการยึดถือในส่วนแห่งกายทั้งหมดที่จิตยังหลงยึดถืออยู่และสิ่งหนึ่งที่อาตรมาเคยแนะนำอยัดโยมผู้ที่อยู่ในภาวะเขาเรียกว่า ผูความทุบทับถมจนแบบเรียกว่าจนตอไม่มีทางออกหาทางออกอะไรกับชีวิตไม่ได้อะไรประเภทนี้ก็คือให้พยายามนึกถึงความดีของชีวิตที่เคยทำมาทั้งหมดเคยทาความดีอะไรบ้างนึกมาตั้งแต่เด็กนึกถึงแต่ความดีนะอันไม่ดีอย่าไปนึกถึงนึกถึงความดีสะมาสซมมาสะมาสะสมาเื่อื่่อยเรืเรื่อยจนภาวะปัจจุบัน อันความดีที่เรานึกถึงได้แต่ละอันแต่ละอันต่ละนันที่เป็นความดีที่ออกจากจิตเป็นความดีที่ทราบซึ้งในจิตเป็นความดีที่เราทําแล้วมันมันรู้สึกว่ามันตาถึงอยู่ในจิตเราค้นหาความดีชนิดนั้นให้เจอแล้วนึกถึงความดีชนิดนั้นแล้วอธิษฐานมาขอความดีเหล่านี้จงช่วยคลายปมแห่งความทุกข์และปัญหาต่างๆในชีวิตของข้าพเจ้าที่เป็นอยู่นี้ให้มาลายคลายสิ้นไป อธิฐานอย่างนี้ก็รู้สึกว่าภาวะของชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ตรงนี้แต่บางคนบอกยมนึกถึงความดีอะไรตัวเองไม่ได้สักอย่างเลยก็มีถึงขนาดนั้นเลยนะถึงขนาดเรานึกถึงความดีตัวเองไม่ได้เลยสักอย่างมันมีอย่างนั้นด้วยนะลองนึกย้อนไปในอดีตก็บอกเอาไม่เคย ตักน้ําให้แม่กินสักแก้วเลยเหลือในชีวิตที่ผ่านมานั่นก็คือความดีอย่างหนึ่งนั่นแหะตักอยู่แต่ตักด้วยความหงุดหงิดแม่ใช้กับลำพาญใช้ระดับอย่างนั้นแหละไม่ได้เกิดจากความดีอ๋ออย่างนี้ก็มีเหรอฮะใช่ไหมบางทีทําความดีแต่ไม่เกิดเป็นความดีเพราะไม่ได้ออกมาจากใจ <c oughs> มันเลยไ ม, ไม่ได้รู้สึกสัมผัสความดีที่แท้จริงในจิต แล้วเวลาชีวิตตกอยู่ในห่วงเห็นความทุกข์เราจะเอาความดีที่ไหนมาช่วยถ้าเราไม่รู้จักทําความดีออกมาจากจิตจากใจเราจริงๆเพราะพักบเจ้าจะบอกเจตานาคือความจงใจทําความดีให้มันออกมาจากใจที่เป็นความดีที่ดีจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นความดีอย่างสุ ด, สดซึ้งที่ทําแล้วมันทราบซึ้งอยู่ในใจตลอดเวลาเช่นไปปลูกต้นพัสดีมหาโพธิกลับถึงบ้านแล้วยังนึกถึงป่าเพื่มปีติยินดีทราบซึ้งอยู่นั่นเนี่ยคือความดีที่ออกมาจากจิต ไม่ให้ไปพอพอมันเป็นสังคมที่เขาพากันไปทําบุญมาเอาบุญสักการะก่าสักการะกันไปโดยที่ไม่รู้สึกปีติหรือทราบซึ่งเลยอันนี้ยังไงก็อย่างชานไม่ได้พรามันไม่ถึงจิตถึงใจอย่างนั้นปฏิบัติคุณงามความดีให้ท่านอย่างเช่นวันนี้ยกมาทั้ง มีโยกเตาเาด้วยโอ้โหเต็มใจเลยใช่ไหมเต็มเปี่ยมเลยใช่ไหมทราบซึ้งออกมาจากกิจใจเลยใช่ไหมตั้งใจมาตั้งแต่บ้านเลยใช่ไหมฝนตกแดดออกก็จะมาใช่ไหมก็มายังไงก็จะมาเนี่ยแหละเขาเรียกว่าความดีอย่างถึงใจต้องทาอย่างนี้มันถึงจะเป็นความดีคืออะไรมันไม่ดีอ่ะอ่ะที่ อเราใช้สัญญาณของ t ทูมูฟเลยทูมูฟมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยเสมอนี่เดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ขาด <c oughs> เดี๋ยวก็ดี <c oughs> มันใช้เยอะเหรองั้นเปลี่ยนค่ายอีกทีเดียวไหมเนี่ยค่ายที่เขาไม่ใช่กัน <c oughs> ใช้ทุกค่ายงั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยน <c oughs> ก็ดูๆกันไปอย่างนี้แหละนะ ดูดูกันไปอย่างนี้นะดีก็ดูกันไปไม่ดีก็ไม่อยากจะดูก็ปิดสิบเอมงนะแล้เดี๋ยวจะตอบคาถามนะเดี๋ยวจะเสร็จแล้ววันนี้ส่งท้ายปีเก่าหน่อยออแล้วแจ้งประกาศให้ทราบว่าวันนี้ไม่เทศข้ามปี อ, อาจจะให้ท่านพนมพรเทศถ้าใครจะมาฟังข้ามปีที่นี่จะไม่เทและไม่สวดมนต์ข้ามปี<อ>กระแสะของสวดมนต์ข้ามปีนี้แรงมากทุกๆปีนั่นแหละ มันไม่คำปีหรอกมันไม่มีปีหรอกมีแค่วันหนึ่งกับพื้นหนึ่งกลับเรียนพรานอาจารย์ครับอยากทราบเกี่ยวกับกุศลกรรมบท10บ ต, ตอบแบบปริยัตกุศลกรรมบท10บแบ่งเป็นสามประเภททางกายหนึ่งทางวาจาหนึง่งทางใจหนึ่งเห็นไหมกายมีกี่อย่างปานาธิบาต ทินนาทานกาเมซูมิช้าจานสุราทางกายใช่ไหมทางวาจามี ส, มาาสีมุส า, าวาตสัมผัสอ่ามุสาวาตคือเก่าเพศพลุสวาตเก่าวคําำยาไพสัมผัสปราประเก่าคําเพอรเจอร์ิสุนาวาจาเก่าวคำโซเสียดเก่าวคำโซเสียดอ่ครบสี่ทางใจมี อะไรบ้างทางใจความเห็นผิดอะไรอีกนะพยาบาทพิตกพยาบาทวีตาาทว่ตกวิหิงสาวิตกการมาวตกมีทางใจประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ไม่ได้พูดไปแบบไม่แน่ใจในเรียอข้อมูลจะมัว่วทางกายมี 4. ี่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการดื่มสุราทางวาจามีสก่าวคำเทศกาวคำหยาบก่าวคำเพ้อเจ้อกาวคำโซเซียลเป็นแปดแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> ทางใจมีสอง๋ะไดครบสิ 1. นทางใจมีสองคืออะไรฮะมโนกรรมสามเหรอกายกรรมหลอ กายกรรมสามจี4มโนสองมโนสามนเอาอบแบบมาดูสิพูดตามแบบแล้วนี่ <c oughs> นักวโกว่าแบบแลองพูด <c oughs> ถึงความรู้ในแบบอัตมาก็ไม่เก่งเท <c oughs> ่ากับผู้ที่เขาเรียนตามแบบ ไม่ใช่ว่าไม่เกยงหรอกเคยจำ ม, มาบทแล้ววกนี้แต่มันลืม <c oughs> พอมันมันลืมมันก็พูดอะไรก็ไ ด, ไ, ได้ไม่ได้ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยนะคือปัญหาของถ่ <c oughs> าดขันอย่างเงี้ยมันลืมได้ <c oughs> <c oughs> ดกุศลกรรมมาบทสิบอยู่ กุศลกรรมมบทสิจัดเป็นกายกรรม3ามอย่างคือ 1. ปานติปาตาเวรมณีเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 2. องธินนาทานาเวรมณีเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 3กาเมสุมิตชาจาราเวรมณีเว้นจากการประพุติผิดในกรรมอันนี้คือกายกรรมสี่กุศลกรรมวัจีกรรมสี่คือมุสาวาจเวลมณีเว้นจากการพูดเทศปิสุนาวาจาเวลมณีเว้นจากการพูดส่อเสียดพุลศวาจายะพุษสายะวาจายะเวลมณีเว้นจากการพูดคำหยาบสัมผัสปลาปะเวลแมนีเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออันนี้วัจีกรรมสี่ มโนกรรมสามคืออาณพิชาไม่โลภอยากได้ของเขาจริงๆอาณพิชาอาณพิชาอันนี้เป็นการเพ่งเล็งไม่เพ่งเล็งเพื่อเอาสิ่งของของคนอื่นไม่เพ่งเล็งในสิ่งของคนสิ่งคนอื่นที่เขามีเอามาเป็นของตนอย่างนี้อภยบาศไม่พยาบาทฟองร้ายเขา สมาธิทีเห็นชอบตามกองธรรมอันนี้คือมโนกรรมสามมโนกรรมสามวจีกรรมสี่กายกรรมสามทั้งหมดเป็นสิบใช่ไหมสิบ <10. S 1> จริงหรือเปล่า <10. S 1> โอเคสิบก็ส0บเช็คไปอย่างนั้นแหละว่าสติยังดีอยู่ไม <c oughs> ยังดีอยู่ <c oughs> จบหมดอสุอักุศลกรรมทมับทก็คือ ก็ก็อย่างเงี้ยกุศลกรรมบวคําว่าเดี๋ยวอธิบายคําว่ากุศลกรรมบวก่อนกุศลกรรมบวชก็เรียกว่าทางแห่งการกระทําสิ่งที่เป็นกุศลบวแปลว่าทางปัถะแปลว่าทางทางอันนี้ต่างจากมัคทะมคแปลว่าทางเนี่ยเป็นทางแห่งการออกไปจากวัฏฏะเรียกว่ามัคแต่ปัถะหรือบวเนี่ยบอใบไม้ขอถุงมาจากคําว่าปัถะแต่ว่า ผลทางเป็นแล้วป่าผลทางที่ยังอยู่ในวตัตถกนะแห่งการกระทากุศลกับผลทางแห่งการทําอกุศล10บคือตรงการข้ามทําชีวิศตกล่วงอะไรที่เนี่ยเป็นอ ก, กุศลกุศลเข้ามบท10อกุศลเข้มบท10จบก็ถือโอกาสแห่งการสแสดงธรรมในวันนี้เป็นการส่งท้ายปีเกา่าส่วนการจ ะ, สะแสดงธรรมต้อนรับปีใหม่ก็คงจะเป็นในวันพรุ่งนี้ ขออนุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาบุญกุศลที่เกิดจากการถวายทานของพวกเราในเช้านี้บุญกุศลที่เกิดจากการแสดงธรรมของอาตมาบุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมของพวกเราทั้งหลายขอบุญนี้จงเป็นมหันตเดชอนุภาพอานวยอวยพรตอบสนองให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานเจริญด้วยวันณะมีผิวพรรณของใสเจริญด้วยสุขข มีความสุขกายสบายใ จ, จเจริญด้วยพระมีกําลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงและขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีฤทธิ์มีอนุภาพมาลายสิ่งชันตรายทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากชีวิตของพวกเราจงบรรดาลศรีดีเข้ามาสู่ชีวิตหนุนนําชีวิตของพวกเราทุกคนก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงก้าวล่วงความเดือดร้อนทั้งปวงก้าวล่วงจากเวรภัยทั้งปวงพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเข้าถึงความสุขความจเจริญ ในเบื้องหน้าทุกท่านเทิัน